อันนี้แหละที่ผมเรียกว่าจิตมันฉลาดแล้วผมบอกว่าให้รู้จักความเป็นปกติเอาไว้เมื่อไหร่ที่จิตรู้จักสิ่งที่ดีกว่ามันจะไม่เอาสิ่งที่แย่กว่าเองมันเหมือนมีคนให้บ้านะลือหาดเราอยู่เนื่อไหเอ้เราไปอยู่ดิเมื่อก่อนเราก็ชอบกระตอ๊อบเราก็ไม่ยอมไปอยู่เราก็จะอยู่กระต๊อบเราอย แล้วเขาบอกว่าลองดูหน่อยนะลองดูรับรองสบายกว่าเราว่าไปแบบเสียไม่ได้ไม่รู้ว่าคือหาดคืออะไรสมมติมันไม่มีในหั ว, วคลคือหาดคือแล้วก็ไปกับเขาไปนอนทักคืนสองคืนแล้วก็อ้าวม้เตียงก็ดีเตียงหลุยห้องน้ํามีน้ําอุ่นห้องน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งอะไรเงี้ยสมมตุติมีแอร์ด้วยกระต๊อบเรามีแต่กองฟางสมมุติพอเรารู้จักคลือหาดแล้วเราจะเอาไปกระต๊อบเราไม่เอาแล้วจิตใจเหมือนกัน พอเราพามันรู้จักสิ่งที่ดีกว่าแล้วเนี่ยมันไม่เอาเองมันไม่ต้องไปบังคับมันเลยว่าเฮ้ยอย่าเอาน่อย่าเอานะาานะมันไม่มีเหมือนเกิดจะมีใครบังคับเราไปอยู่สต็อปได้ไหมหรือว่า ม, มีใครบังคับให้เราอยู่เครื้อหารได้ไหมไม่มีมันเราอยากไปเองเครื้อหาดตอนนี้เรารู้แล้วเนี่ยเรารู้จักแล้วเนี่ยเครื้อหารคืออะไรเราไปเองไม่ต้องมาเรียกแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าอุ้ยอยากอยู่สต็อปเหมือนเดิมไม่มีแล้วมันหมดเองเลยหมดอัตโนมัตินี่แหละกาเรียกว่าความเป็นเองเกิดจากอะไรเกิดจากว่า เราพาจิตเนี่ยรู้จักสิ่งที่ดีกว่าก็แค่นั้นเองอันนี้เป็นธรรมชาติง่ายๆที่คนเรามันมองข้ามไปนึกว่าปฏิบัติธรรมไปทําอะไรยากๆไม่ใช่แบบนั้นเ <laughs> ขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันไม่มีภาระมันไม่มีภาระมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันก็เบาสบายเขาเรียกว่าจิตนี่อ่อนเป็นละหูตาอ่อนควรค่าแก่การงานนี่แหละเขาเรียกว่าเบาแบบนั้น ไม่ใช่เบาล่องลอยไม่เห็นะอันนี้เบาควรค่าแก่การงานคืออะไรมันเป็นปกติเพราะปกติมันเป็นอะไรมันมีสมาธิมันมีสมาธิ ม, ม, ม, าธมันทำอะไรอะไรอะไรเนี่ยมันก็ทําไปด้วยความเป็นปกติไม่ได้มีตัญหาไม่มีว่าอยากรีบให้เสร็จไม่มีว่าอยากไม่อยากอะไรมันไม่มีเพราะมันไม่มีอย่างนั้นมันก็ร่าปลื่นอย่างเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าลาหุตาควรค่าแก่การงานเพราะฉะนั้น ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเกิดจากอะไรความเป็นปกติอันนี้จะก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราเดินให้ถูกทางแค่นั้นแหละถ้าเราเดินถูกทางเนี่ยธรรมชาติของจิตใจเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามทางของมันเนี่ยเหมือนเป็นท่อท่อแ ป, ป๊บน้ำเนี่ยถ้าเราเริ่มก้าวเดินเข้าไปก้าวแรกในท่อนเนี่ยมันไปทางอื่นไม่ได้มันจะไปทางอื่นไม่ได้เลย มันจะไปทางนี้อย่างเดียวมันหลงทางไม่ได้มันอยากจะหลงก็หลงไม่ได้ถ้าไปถูกทางตั้งแต่แรกไม่มีสิทธิ์หลงเลยมันจะไปอย่างเดียวเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะที่จะไม่มิผ่านอันนี้เป็นตัววัดง่ายๆความคิดเราน้อยลงเราความฟุง้งซ่านเราน้อยลงพอความฟุง้งซ่านน้อยลงเราสบายขึ้นไหมสบายจะตายมันเบาโล่งเหมือนมไม่มีอะไรต้องคิดบางทีเราต้องไปหาเรื่องว่าเอ้ยเราต้องคิดอะไรเปล่าวะนี่หาเรื่องใส่ตวัว มันไม่มีความฟังก์ชันเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันก็ว่างๆปกติปกตินะบางทีคนเราเนี่ยพอว่างปกติไม่ได้ไปหาเรื่องเอ้ควรจะคิดอะไรหน่อยไหมอะไรเงี้ยอย่าไปทําแบบนั้นคล้ายๆว่าอย่าประมาทหยุดขาดว่าเออว่างๆอันนี้ก็อยากจะคิดเรื่องนั้นแต่ไม่จําเป็นต้องคิดอะ่ะอออยากจะคิดเรื่องนั้นแล้วไปคิดอย่างเงี้ย น, นนี้หาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวจะทุกข์ละเพราะว่าเรื่องที่อยากจะคิดส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องดีหรอกเรื่องไม่ค่อยดีเท่า น, นั้น เรื่องที่ดีที่สุดคือไม่ต้องคิดอันนี้อยู่กับความเป็นปกติเอาไว้สมมติเรากําลังจะก่อสร้างวิมาณของเราในความปกติอะไจะก่อสร้างให้แต่ถ้าเราไม่ปกติเนี่ยเหมือนกับคนงานสไตล์เลิกทํางานสุดท้ายเราก็ไม่ได้งานไม่ได้ผลงานไม่ได้อะไรเลยอันนี้พูดเป็นเปรียบเปย์นะถ้าพูดเป็นตรงตรงคือว่าความเป็นปกตินี่แหละมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะพาให้เกิดปัญญาเกิอดอริยมมากที่สุดแต่ถ้าเราหลุดจากความเป็นปกตินี้เราก็ไม่ได้อะไรได้แต่อกุศนอย่างเดียวเราคิดเราได้อะไรได้ความหลงได้โมหะอันนี้เรากำลังใช้อะไรเราเอาทองไปถูกระเบื้องเหมือนเดิมสมัยก่อนมึงเคยพูดบ่อยว่าบางคนที่ความทุกข์น้อยลงแล้วเนี่ยหรือว่าความคิดน้อยลงแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ บรรลุธรรมขั้นต้นแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็ความทุกข์น้อยลงเยอะแล้วแต่ประมาทพอทุกข์น้อยลงก็ไปคิดฟุง้งซ่า น, นคิดนู่นคิดนี่ไม่ค่อยทุกข์นี่คิดนูน่นคิดนี่ก็ไม่ทุกข์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะทุกข์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือมันจะช้าลงแทนที่จะใช้เวลากับความเป็นปกติกับความว่างกับความที่ ไม่มีอะไรหลวงปู่ดูลจะพูดบอกว่าให้เจริญจิตอยู่บนความไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเจริญจิตไปในทางความคิดแทนนี่นเป็นความประมาทเป็นความประมาทเพราะงันความประมาทเป็นคำเตือนสำหรับคนทุกกลุ่มตั้งแต่คนที่ยังไม่ได้อะไรเลยจนไปถึงคนที่ได้อะไรแล้วแต่ยังไม่ถึงกับอรหันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนตัวเองตลอดว่าอย่าประมาท ให้อยู่กับความเป็นปกตินี่ไว้แล้วถ้ามันไม่มีความคิดอะไรอย่าไปหาความคิดมาคิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องทำอะไรเนี่ยให้ปัญญานี่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เราไปคิดว่าเราจะทำอะไรดีปัญญาเนี่ยมันจะพูดขึ้นมาเองจากที่ที่ปกตินี่แหละเดี๋ยวมันจะบอกเองว่าเอ้ต้องไปทำนี่ต้องไปอย่างี้อะไรมันจะบอกเองเราไม่ต้องไป รีบคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องทำอะไรดีทําอะไรดีไม่ต้องรีบคิดแบบนั้นยกเว้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องออวางแผนจะทําเป็นแผนในชีวิตเราเช่นจะไปจองตัว๋วเครื่องบินจะไปทําอะไรไมนน่ต้องคิดแต่หมายถึงว่าเรื่องบางอย่างที่เรายังไม่รู้ว่ า, าจะทําอะไรดีรไม่ต้องคิดไม่ต้องไปหาว่าจะจ ะ, จะทำอะไรดีไ ม, ไม่ต้องทําแบบนั้นถึงเวลาท่านมีเรื่องต้องทําเดี๋ยวมันรู้เองไม่ต้องทําอะไรแต่จะซื้อของกินเข้าบ้านต้องคิดนั่นเอง จะทำกับข้าวอะไรต้องคิดอันนี้ไม่งั้น๋ยวไม่มีกินอย่าหาเรื่องมาคิดหาเรื่องมาคิดก็จะเป็นหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวบางทีเราจะคิดว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นทำไมเนี่ยเขาเรียกว่าหาเรื่องอดีตมาคิดหรือบางทีก็อยู่ปกติดีไม่ให้มีความคิดอะไรเดี๋ยวกลับไปคิดถึงอดีตละ่ะอย่างนี้ไม่ไม่เอาแบบนั้นอดีตนี่ผ่านไปแล้วไม่ต้องตามไปคิดแล้ว เมื่อไหร่ที่เราไม่กลับไปอดีตเราจะไม่ไปอนาคตและเราจะอยู่กับปัจจุบันเองแต่เพราะคนเรานี่มันชอบไปอดีตหรือมันชอบไปอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็วิ่งอยู่ที่สองที่เพราะสองที่นี่มันเชื่อมกันมันเป็นความคิดเหมือนกันพอมันอยู่กับความคิดมันก็เลยอยู่กับอดีตอยู่อนาคตตลอดเวลามันเป็นเหมือนท่อสองท่ออนี้เชื่อมกันจริงๆมันก็คือท่อเดียวกันนั่นแหละแต่มันถอยหลังก็เดินหน้าแค่นั้นเอง ถ้าเราเลิกอยู่กับอดีตเลิกไปอนาคตมันจะอยู่ถูกที่เลยทีนี้อย่าใช้เวลาไปกับอดีตอย่าใช้เวลากับอนาคต mm hmm. ก็คืออย่าใช้เวลาไปในความคิดใช้เวลาอยู่กับของจริงนี่อยู่กับปรามัดนี่คือความรู้สึกตัวแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้บนความรู้สึกตัวนี้เรียนรู้สิ่งต่างๆบนความรู้สึกตัวนี้ เดี๋ยวก็จะมีอะไรต้องผ่านมาผ่านไปให้เราเห็นอะไรเงี้ยเพราะจิตเรายังมีอวิชชาอยู่มันก็มีความมืดโผแว บ, บปะปแบ้างแวบปะปแบ้างแวบปะบางให้เราเรียนรู้แต่เราต้องไม่ตามมันไปเราต้องอยู่บนฝั่งเหมือนที่ผมบอกใช่ไหมเราต้องอยู่บนบกไม่ใช่ไปอยู่ในน้ําถ้าเราตามไปเราไปอยู่ในน้ำแนละ้วเดี๋ยวเราก็ทุกข์แล้วเม่เรามันทุกข์ที่มันลำบากแล้วมันถอนตัวไม่ค่อยขึ้นใช้เวลาเยอะ มันอินไปแล้วงั้นไม่รู้ตัวเวลาเราผิดปกตินะมันจะพาคนอื่นผิดปกติไปด้วยไอคนที่เราคิดถึงนั่นแหละบางทีเขาปกติดีอยู่แล้วก็พาเขาผิดปกติไปด้วยมันไม่มีผลดีอะไรเลยไนงะมันดีอย่างเดียวคือมันได้ตามใจกิเลสตัวเองแใจกิลมนไม่ดีผมเลยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตมันเริ่มผิดปกติแล้วเนี่ยอย่าตามไปเพราะเราไปตามไปไปก่อล่างสร้างเรื่องสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยนะลําบากแบบ เพระนั้นพอมันรู้มันผิดปกติมันรีบกลับมารู้สึกตัวแล้วมันจะอยากไปคิดอีกนล้วต้องยักกับมันหน่อยต้องสู้กับมันหน่อยไม่ไม่ไปะไม่ไปอะไบางทีต้องเตือนตัวเไม่ไปไม่เอาอะไรองี้แล้วอดทนสักนิดหนึ่งนาทีสองนาทีอดทนสักนิดนึ่นนนะไม่ต้องสนใจมั น, นะพี่ผมพูดใช่ไหมมีอยู่แต่ไม่สนใจมั น, นี้้เดี๋ยวมันคลายไปเราจะสบายกว่าที่เราตามมันไป พอยิ่งตามเนี่ยมันยิ่งดิฟดาวดิฟดาวไปเรื่อเพื่อยยิ่งลงลึกลงลึกลงลึกไปเรื่อยเราจะยิ่งเหมือนกับลงไปในหลุมดำลึกขึ้ น, ล, น, ล, นลึกขึ้นลึกขึ้นเวลาเราตามไปไปสังเกตดูอืแต่ถ้าเราพยายามที่จะไม่ตามไปนี่นะเหมือนเรากําลังจะพบแสงสักกว่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจะให้หลุดก็สบายการฝืนนี่เป็นบา ร, รมีอย่างหนึง่งถ้าจะพูดตามหนังสืออยากให้มีบา ร, รมีทำไมนี่แหละบารมีนี่แหละเนคําว่าบารมี คือไม่ตามไปถือว่าฝึกเนี่ยธรรบารมีถ้าเราไม่มีความคิดไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนะแล้วเราก็ปกติอยู่นี่นะสบายขนาดไหนครับสบายมากมันเป็นชีวิตใหม่ที่สังเกตตัวเองก็ได้ยังไม่ต้องได้เป็นอริยบุคคลก็รู้สึกเมืนมีชีวิตใหม่แล้วใช่ไหม ไม่เคยมีชีวิตแบบนี้ใช่ไชีวิตที่สบายผ่อนคลายความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงคนในโลกนี่จะมีความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงได้อย่างไรถ้าไม่เคยเห็นความเป็นปกตินี้มันเป็นไปไม่ได้มันฟุ้งซ่านตลอดดิ้นรนตลอด